พูดถึง่งความเพียร น, นะพูดถึงเรื่องกิเลส น, นะที่มาอยู่กับหมู่เพื่อนนี่มันเป็นเรื่องฟื้นฝื้นเหมือนกันคือเป็นลักษณะฝื้นฝื้นอยู่ไปเราก็ทราบว่านิสัยคนไม่เหมือนกัน แต่ความเด็ดเดียวอาหารความคล่องแคล่วทางสติปัญญาเนี่ยไม่ค่อยแสดงให้เห็นหนี่สิที่มันทำให้หนักๆใจอยู่หยบอยาบ ก, ก็เคลื่อนอะไรก็เคลื่อนแสดงว่าไม่ได้ใช้สติปัญญาความเคลื่อนต่างๆนั้นมันออกมาจากใจที่ไม่ได้ใช้สติปัญญาให้เราขอบถ้าใช้บ้าง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 นั่นก็คือความบกพร่องมองเห็นด้วยตาก็คือความบกพร่องวางอะไรอะไรไว้ที่ไหนก็คือความบกพร่องยมันสะดุดสะดุดสะดุดไปเรื่อยๆหากว่าได้ค่าสติปัญญาแล้วสิ่งเหล่านั้นจะไม่เป็นอย่างนั้นกิริยาที่แสดงออกจะไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยคือมันออกมาจากใจทั้งนั้นเหตุใดมันมาเป็นนะก็เคยพิจารณาเคยรู้เคยเข้าใจอยู่แล้ว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 ความโงค่ความฉลาดของตัวเองยังได้เตือนเสมอพระเนงดุด่าว่ากล่าวไปเรื่อยๆแม้แต่เวลาแจกอาหารสาคัญที่มาชุมุกันนี่ตอนนี้ได้ดุแล้วเวลาจะดุแล้วไม่ได้วา่าใครจะอยู่ที่นั่นหรือไม่อยู่ไม่สาคัญเพราะมุ่งที่จะสอนผู้ที่มาเกีย่ยวข้องกับเราเราต้องพูด ม่พูดพูดนี้ไม่เข้าใจคนอื่นที่ไม่ไม่เคยรู้เรื่องรู้ราวก็อาจจะคิดปันแง่ต่างๆแต่เราไม่สนใจในความคิดเหล่านั้นของคนเราสนใจในประโยชน์ที่จะพึงได้เพราะการแสดงออกของเราแ่อผู้ฟังจะได้คติในขนานั้นเท่านั้นท่านจึงเน้นยงไปเสมอว่าสติปัญญา สติปัญญาอยู่งั้นแม้แต่มรรคแปดก็ยังมีสมาธิติขึ้นตน้นความรบอบครอบถ้าคนก็ต้องเป็นหัวหน้า ง, งานคนฉลาดต้องเป็นหัวหน้า ง, งานเมื่อหน้า ง, งานใดฉลาดงานนั่นๆลูกน้องก็ดีงานก็ได้ผลดีถ้างโง่ก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควร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 อะไรกับพระกับเนรก็เพ็ินๆผ่านๆดูแล้วก็ไม่ น, าน่าดูหรืออาจจะขึ้นอยู่กับผู้หัวหน้านนอีกด้วยใครก็พิจารณาไม่ออกเราไม่กล้า จ, จะวินิจฉัยอย่างวัด า, านอาจารย์มั่นอย่างนี้ใครเข้าไปก็เข้าไปจเป็นระเบียบเดียวกันหมดเพราะท่านเข้มงวดกวดขันตาก็เป็นครูมองไปไหนนี่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 ไปก็ไปอยู่ก็อยู่ไปอย่างนั้นไม่ค่อยสนใจในเหตุในผลในแง่ต่างๆที่ท่านแสดงออกก็เลยถือเป็นธรรมดานยะบางทีท่านพูดทีเล่นทีกินก็เลยทำให้สนุกสนานรื่นเริงไปเทียโดยไม่คิดหาเหตุหนาะผลพราจะเป็นประโยชน์แก่ตนเลยนี้มีจานวนมาก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 ตะกลัวไปไหนคนในโลกนี้ปัาชาเต็มตัวนั่นยังดีทันไหมไปอยู่สถานที่ใดที่จะไม่ตายถึงเวลาแล้วมันตายได้ด้วยกันทั้งนั้นแต่ทําให้เคยปรากฏนี่ที่มันตายล่มจมไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์โทษความโง่พาให้ตายนะตายด้วยความฉลาดตายด้วยอัต้วยธรรมพระพุทธเจ้าท่านชมเชยชมเชยเสนเสริญมากจึงสอนข้าวลูกบุเรศนาสนางไปหาอยู่ในต้นไมช้ชาเขาที่ไหนที่จะเป็น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 เวลาท่านเด็ดท่านเด็ดจริงๆไปที่สถานที่ไหนที่กลัวมากๆนั่นแหละเป็นที่กิเลดจะได้มอบถ้าเป็นนักต่อสู้ถ้าคนขี้ขลาดกลัวแล้วไปที่ไหนก็จะไปสั่นเทาเทาไม่ได้เรื่องอะไรเลยแม้จะอยู่กับหมู่กับคณะก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรคนประเภทนั้นเข้าในปา่าเขาเป็นแบบนั้นอยู่ในกัหมู่กับคณะก็เป็นแบบนี้ก็เป็นแบบเกา่านั่นแหละแบบไม่เป็นท่านานอ่านเวลาท่านพูด น่าฟังแล้วผู้ที่มุ่งต่ออัตถธรรมไปแล้วใจมันต้องสั่นล็กๆทีเดียวพอได้ยินท่านตุกประสาทตูกจิตตูกใจมันเหมือนจะห่อเหินเดินฟ้าทั้งทั้ ง, ท, งที่ไม่มีปีกคือจิตมันห้าวหานนั้นเด็ดเดี่ยวภายในจิตแล้วไปก็นั่นแหละอันนั้นเป็นคติไปด้วยยิ่งไปสู่สถานที่น่ากลัวดังที่ท่านวาน่าแล้วอันนี้ขึ้นแหล ะ, ะท่านอาจารย์มั่นท่านไม่ นาจสอนเรามาให้เพื่อความตายนะท่านสอนมาเพื่อทำท่านสอนมาวิธีใดจะเป็นจะตายให้มุ่งต่อตอัตตธรรมเอาเถอะความตายนี้มอบไว้ในกติธรรมนาทำจะเกิดด้วยวิธีใดให้เข้มแข็งให้พินิจพิจารณาปุดค้นขึ้นมาให้รู้เห็นภายในจิตใจจะกิันก็ห้าวหาันเสือก็หุ่มก็ะห่มเนี่ยก็เอาเสือก็เสือเสือก็ตายเหมือนเราเราก็ตายเหมือนเสือ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 เกจเก็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นแน่มันลงนี้หมดเสียหนึ่งจิตมันยิ่งตั้งท่าตั้งทางอาจหานเรื่องเรื่องในอัดในทำสติสตัสตงอยู่กับตัวเย็นอบอุ่นก็ถูกเย็นก็ถูกเหมือนครูเหมือนอาจารย์หรือเหมือนพระพุทธเจ้าประทับอยู่บนหัวใจไปที่ไหนก็อบอุ่นหมดนี่คือทาอยู่ภายในใจเป็นเช่นนั้นนี่เคยเป็นมาแล้ว ที่ขาดก็อยู่ที่นี่คนคนนี้แหละแต่เวลามันอดหานก่อนได้เห็นประจักษ์ภายในตัวเองเพราะความฝึกความท ร, รมานอย่างยิ่งอดหานได้ไม่ใช่มันอาหานขึ้นมาเฉยๆอดหานด้วยการฝึกผลท ร, รมานด้วยวิธีที่ถูกต้องเหมาะสมกันความกลัวทั้งหลายก็สลายตัวลงไปความกระหานเกิดขึ้นมานทันที่เดินอยู่เท่าไหร่ก็ได้ไม่เคยสนใจกับเรื่องความเป็นความตายาสัตว์ไร้ตัวนั้นตัวนี้ไม่ไปสนใจเลย หมุนดูกับทมความสง่าผ่าเพเผยภายใจิตใจองค์าอาจกราหารอยู่ภายในนี้เดินไปได้กี่ชั่วโมงไม่สนใจกับอะไรทั้งนั้นเนี่ยเวลามานั่งเอาให้สงบก็แน่วลงไปเลยเวลาออกพิจารณาทางด้านปัญญาก็หมุนติวติวติวนี่เป็นขั้นของสมาธิกับปัญญาที่เกี่ยวโยงกัน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 สถานที่นั่นจะลําบากลําบนสถานที่นี่มีสัตว์มีเสือไม่คํานึงไปที่ไหนมีแต่ทากับใจหมุนกันเป็นธรรมจักรอยู่ตลอดเวลาเช้าสายบ่ายโมงไม่เลนใจทั้งนั้นหมุนกันอยู่ตลอดนอกจากเวลาหลับแค่ เ, เท่านั้นาการฝึกจิตฝึกอย่างนั้นเวลาเดด็เด็ดเต็มที่เด็ดจนไม่หมายป่าช้า คนทั้งโลกมีเราคนเดียวเท่านี้อ่ะไม่หวังพึ่งใครเป็นกับตายก็เราเป็นผู้รับผิดชอบเราเองเอาตายก็ตายไม่จาเป็นจะต้องมาหาอะไรมาเผาศพเผาเหม็นกันสัตวตายอยู่ในโลกไม่มีใครไปเผาศพมันนะเราทําไมจะหาคนมาเผาศพล่ะเปย่งนั้นจิดนี่คือความปลูกตัวเองแต่นั่นก็ตายตายไปแล้วเสียดายมันอะไรห่วงมันอะไรมันตายมันใช้ไม่ได้แล้วคืงตายแล้วเป็นห่วงมอะไรอีกหรืห่วงสิ่งที่ใช้ไม่ได้น่ะ เวลาที่ใช้ได้นี่ใช่ที่จะให้เป็นประโยชน์อะไรใช้ลงไปเอาให้เต็มไม่เต็มหน่วยเอาให้เต็มอัดเต็มทำเต็มความสามารถให้รู้อย่างถึงใจองบายวิธีปลุกตัวเองจินก็ห้าวาหารอยูคนเดียว น, นกับรุ่นเริงรุ่นเริงพาณาจิตกับธรรมนี่มันผิดกับรุ่นเริง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 พอเรามีความเพียรปรากกิเลสตัวเส็ยแทงอยู่โดยสม่ำเสมอกิเลสตัวไหนจะมาเสียบแทงจิตใจให้มีความทุกข์ความลำบากจะทําให้จิตเป็นไข้เหมือนร่างกายเป็นไข้โ่โวยกิเลสมันก็เป็นไปไม่ได้ที่พอเราปราบกิเลสอยู่ตลอดเวลาท่านบําเพ็ญครูบาอาจารย์ผู้ติจัดได้มาสั่งสอนอบรมพวกเราส่วนมาก มีแต่สมบุกสมบันมาแทบล้มแทบตายส่วนชีวิตรอดมาแล้วทำทุ้งโถ่ขึ้นมาแล้วไปนํามารมสัมสอนนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาเพราะเป็นลักษณะอย่างนั้นมากกว่าอย่างอื่นผพุทธสําเร็จ์ได้อย่างรวดเร็วก็ยกให้ท่านเพราะเป็นผู้เต็มภูมิเกือบเต็มภูมิมาแล้วพอแย่หม อ, อ ก, ก็รู้ก็รู้เห็นเราทิศสายวาสนาของเราเป็นอย่างนี้จะทําให้เป็นแบบท่าน ให้ได้ผลอย่างท่านมันเป็นไปไม่ได้เพราะนิสัยคนละนิสยัยการ น, นําเพนมาต่างกันยากก็ต้องทําแก่เราง่ายก็เอายากก็ทํารับหมดภาระที่มีอในตัวของเราเราไม่รับไม่มีใครจะรับให้เราไม่แก้ไม่มีใครจะแก้ให้เราต้องเป็นคนแก้เราเองีอัตตาหิตโนราโถประเภทหนึ่งอยู่ตรงนี้นํามาใช้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 มันไม่มีมากอะไรละในส่วนร่างกายของเราเนี่ยทุกข์ก็แค่ตายเท้านั้นแนหะมันไม่ได้มากเลยจากนั้นไปทุกข์ก็เรื่องของทุกข์ต่างหากไม่ใช่เรื่องของเราเราจะไปบุ่นกับมันด้วยความรุ่งความหลงไปหาประโยชน์อะไรมาทุกข์มันแสดงตัวขึ้นมาแม้แต่ทุกข์เองมันยังไม่ทราบความหมายของมันไม่ทราบตัวเองว่าเป็นทุกข์ไม่ทราบตัวเองว่าเป็นผู้ให้ทุกข์แก่ผู้ใดเราทำไมไปแบบไปหา ม, มันว่าเราเป็นทุกข์ ทั้งั้งที่ทุกข์ก็เป็นทุกข์อยู่ตามน่อธรรมชาติขอ ง, งมันแต่หาเรารู้ตามความจริงมันเสียด้วยปัญญาของเราแล้วทุกข์มันก็เป็นทุกข์อยู่จริงๆมันไม่ได้มาเป็นเครื่องกดทุ่มจิตใจเราอะไรเลยนอกจากเราไปแบกไปหามเพราะด้วยความรูปหนงตัวเองเท่านั้นจึงจะเกิดความทุกข์ขึ้นมาท่านสอนทำท่านสอนเพื่อให้รู้ความจริงของแต่และอ ย, อย่างอย่างอย่างนี้เองมันไม่มากไม่น้อยมันมีเท่าขันนี่แหละไม่เลยจากนี้ไป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 ไฟก็เป็นของร้อนไฟเองยังไม่ทราบความหามายจนว่ามันร้อนทําไมเราจะไปจับไฟให้เกิดความร้อนจากตัวเองเราร้อนใครทราบมันร้อนอย่ไปจับมันทุกก็ทราบว่าทุกอย่าไปยึดนั้นรู้ตามเรื่องของทุกแง่เรื่องก็มีเท่านั้นถ้าเราทราบแบบนี้แล้วใจก็ไม่เป็นทุกข์สบายถึงร่างกายมันจะเป็นไฟขึ้นมาทั้งกองก็ตามเรื่องหน้าแห่งความทุกข์ที่แสดงตัวขึ้นมาในขณะ น, นั้นตามเรื่องของขัน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 ฟิตปัญญาของเราให้ทันสติให้ทันกับสิ่งเหล่านี้อย่าให้เข้ามาทำลายจิตใจได้ขันมันเป็นขันร่นร้วนข่ารวมันเป็นขันอยู่แล้วไม่ใช่เรารูปก็ทราบว่ารูปกายคือกองธาตุกองขันอยู่แล้วเหตุออทนะ เ, เรื่องความสุขความทุกข์มันปรากฏขึ้นไปในจิตใจนั่นก็เป็นขันอันหนึ่งอยู่แล้วเนียจิตผู้รู้เรื่องขันก็เป็นอันหนึ่งอยู่แล้ว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 รู้สึกในความเป็นอยู่ว่ามีน้ำหนักมากกว่าการสลายไปนี่ก็เพราะความรู้สึกเพื่อโลกต่างหากไม่ได้เพื่อท่านสำหรับเพื่อท่านแล้วไม่มีความหมายไอ้สิ่งเหล่า น, นี้เรื่องถาดเรื่องขันเรื่องความเป็นอยู่เรื่องความตายแต่ไม่มีความหมายอะไรทั้งนั้นสำหรับปิี่พอตัวแล้วมันเเอาอะไรจากสิ่งหล่านี้อยู่แ้วกันปก็อยู่ไปอย่างนั้นแหละรับผิดชอบกันไปตามเรื่องตามราว มันเหนียวกับพ้ากินเสียนหายกับพา้ า, บพาดื่มน้าเสียห่วงเหงาห้องนอนก่อนผ้านอนเสียลบบเปลี่ยนเยาบดก็เปลี่ยนไปเสียพระราาเวปัญจักขันธาแสดงชัดเจนให้ท่านเห็นมันมีมีอะไรที่มากาะขวนในโลกนี้โลกกว้างแสนกว้างมีอะไรมาก่อขวนไม่เห็นมีอะไรมาเกาะขวนนอกจากขันที่เจ้าของรับผิดชอบอยู่เวลานี้เท่านั้นเป็นสิ่งที่กาะขวนอยู่ตลอดเวลา เจ็บนั้นปวดนี้เดี๋ยวหิวเดี๋ยวก็หายเจ็บท้องปวดหัวยุ่งกันไปอยู่ตลอดเวลาพาราเฮเวปัญจกขั่นฐานมันหนักด้วยการรับผิดชอบนี้เองไม่ใช่หนักด้วยอุ ป, ปทานเหมือนแต่ก่อนที่มีกิเลสอยู่แต่มันก็หนักด้วยความรับผิดชอบเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ขันอย่างพอตัว หรอรอบตัวแล้วจึงเป็นความสบายสิ่งภายนอกมันกลายแสนกลายมากอย่างไรก็เกี่ยวเนื่องให้ไ ม, ไม่เป็นความรับผิดชอบของเราเหมือนขันเมื่อสรุปแล้วก็มีแต่ขันเท่านั้นเป็นตัวการให้เรารับผิดชอบภูมิี่เรลสอยู่ก็เอ้าก็มีกิเลสเป็นตัวกา ร, รแย่ก่อกวนให้วุ่นวายทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอน ว่าแต่เขาไมันรู้ละเอีก่อควรเนตัวนี้ก็เป็นตัวของนิสตอันหนึง่งคือตัวอธรรมมันชอบจะทําลายธรรมที่มีภายในจิตใจของเราจะสร้างอัดสร้างธรรมขึ้นมาเพียงเล็กๆน้อยๆ เ, เนี่ยมันพยายามมาทําลายมาขีดมา ก, ก, มา ก, กันมีเรื่อยๆไปเนะนี่ยน่เนี่ยตัวสําคัญตัวบาปตัวกรรมตัวเทวทัศน์มันอยู่ภ า, ายในจิตใจถึงให้พยายามปราบ ตัวเทวทธาตภายในตัวของเรานี้เป่นปำหนิเทวทาตุโน้ตเทวทัตภายในตัวของเรานี่แหละมันมาทําพแกเราเทวต ท, ท่านทมันเลยมาทำให้ใครเทวทธาตที่อยู่ในเรานี่แหละมันทาลายเราอยู่ตลอดหุ่กันลุแยก่อวรลอกลวงปิ่นปล่อนในาวกีเนี่ยกีมุมวันหนึ่งวันหนึ่งตลบทบตัวนับไม่ได้ด้วยกลมายาของกิเลสตัวเทวทาตนี้ ฉนั้นถึงต้องแก้ที่นี่กราบกันลงที่นี่ตัวค่าศึกมันอยู่ที่นี่สติปัญญาไม่พอให้ขุดค้นขึ้นมาพิจิพิจารณาโดยเอาธาตุเอาขันเป็นหินรับสติปัญญาพิจารณาให้ดีหินรับปัญญาที่เหมาะสมที่สุดก็คือธาตุขันของเราเนี่ทุกปรากฏขึ้นมาก็ให้รู้ว่ามันทุกเนี่ยมันทุกอย่างนี้เนี่ยสาเหตุที่มันจะเป็นทุกของขานของทาตของขัขงขขนนี่ก็เพราะความเกิดเนี่ย สาเหตุอันหนึ่งก็เพราะว่ามีโรคนี้ภัยเป็นสิ่งที่ช้อนชมันอยู่ภายในนั้นรบกวนหรือดังแกมันูมันก็แสดงตัวออกมาสาเหตุอันยิ่งใหญ่ก็คือเพราะความเกิด น, นั่นเองมันถึงได้ว่าเป็นอย่างนี้เมื่อเกิดแล้วก็ต้องชราปิดดูขาพยาธิปิดดูขาพยาธิปิดดูขาเลื่อยไปมนันนำไปดูขังมันก็ว่าไปความเกิดเป็นทุกข์ชราพยาธิเป็นความทุกข์ความตายเป็นทุกข์นี่เรื่องทุกข์กริสาัเป็นอย่างนี้ตันว่า เราย่นเข้ามาให้เห็นตัวโทษจริงๆคือตัวอะไรอทําขั้นละเอียดเกิดก็เกิดมาแล้วทุกข์ก็ทุกข์มาแล้วมันผ่านมาแล้วเนี่ยลาพยาธิมันก็เป็นตามเรื่องของทายของขันใครไปหาเรื่องหาลาว่าอันนั้นเป็นนั้นอันนี้เป็นนี้ตัวนี้แหละตัวก่อเกิดก่อเหตุให้เกิดทุกข์ น, นั่นตัวสังขารตัวสัญญาที่ออกมาจากกิเลสเป็นผู้บงการนี่แหละตัวก่อเหตุตัวก่อให้ทุกข์เกิดคือตัวนี้เอง หมุนเข้ามาที่นี่ลงทานหลงขันก็ไกลไปซะหนึ่งได้ว่าห่างไปแล้วแกเข้ามาที่นี่มันถึงเห็นตัวสําคัญทั้งหมดคือกิเลสมันอยู่ภนะกิจวาดภาพหลอกเรานู้นเราก็เชื่อวิ่งตามภาพของมันหลอกไปตัวจริงมันอยู่ข้างหลังเรานี่นี่พอ <c oughs> ถึงเอากระจกขวางหน้าแาะมองเห็นเงาตัวเองคือปัญญาย้อนกลับมาพิจารณาตัวนี้ ถ้าเห็นเรื่องของกิเลสมันอยู่ที่ใจนะฮะพาเกิดกับตัวนี้พแก่พาเจ็บพาตายให้เป็นพบเป็นชาติเป็นธาตุเป็นขันก็คือตัวนี้เนี่ยพอตัวนี้ดับไปแล้วธาตุขันมันเป็นซึ้นเป็นนิบาส ค, คือผลของมันก็เป็นกาการะเทียมสมบัติอันยิ่งใหญ่ของเราได้แล้วพาณาจิตใจเหนี่ยมหาสมบัติคุจิตทังเราจิ่ผองใจและบริสุทธิ์เป็นมหาสมบัติเป็น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 ลบกิเลสนี่แหะเป็นนักรบสู้กีเลขึีนเป็นตัวภัยของเราแก้ตัวภัยปราบกลามตัวภัยให้หมดไปแล้วเราก็สิ้นภัยหมดภัยไม่มีอะไรเป็นภัยถึงแดนอันเกษมท่านว่าถึงแดนกเกษมคือแก้สิ่งที่เป็นภพลวแล้วมันก็หมดเรื่องกันทั้งนั้นะ ท่านก็ยกขึ้นเป็นสมมติว่าถึงแดนกเกษมเมืม่อนก้าไปถึงแ ด, ดนนู้นแดนนี้แดนไหนก็คือจิตดวงนี้เรื่องสิ่งที่เป็นค้าศิจเจตนออกหมดโดยสิ้นเชิงเท่านั้นก็เป็นแดนอันเกษมขึ้นมาภายในตัวเองอนนี็แดนแดนตัวนี้